ใช้ชีวิตไปด้วยกันเรื่อยๆชีวิตจะส่งบทพิสูจน์มาให้รู้เองว่าใครรักเราแค่ไหนในทางพุทธรักจริงๆรักตลอดไปไม่มีอยู่ๆให้เต็มไปด้วยรักท่วมทน้นตั้งแต่จากบรรพการยังยืนมาจนถึงการปัจจุบันสืบสานรไปรจนถึงอนาคตของสภาพเท่าเดิมตลอดมันเป็นไปไม่ได้ โลกนี้มีแต่รักที่ขึ้นลงตามเหตุปัจจัยกล่าวคือถ้ามีตัวมีตนกระทบหูกระทบตาให้พอใจมากก็ปลื้มมากรักมากหรือถ้าร่วมบุญร่วมกุศลจนเกิดสมนนัดไปด้วยกันมากก็ผูกพันมากรู้สึกเลึกซึ้งมากแต่ด้วยความที่คนเราไม่รู้ไม่เข้าใจถึงเหตุและปัจจัยทางความรักที่แท้ ก็มกักตึกทักเอาตามเมื่อเพอใจมองกันผิดผิดเข้าใจกันผิดผิดว่าถ้ารักกันจริงต้องทนตัวตนชันได้ทุกอย่างพูดไม่ดีโมโหไายปึงปังปานใดมีเรื่องมีราวไม่หยุดหย่อนแค่ไหนก็ต้องรับได้หมดถึงจะเรียกว่ารักกันจริงหลายคนหนักกว่านั้นคล้ายเป็นโรคจิตลึกลับเป็นความรักเป็นทองต้องลองกันด้วยหิน เพใครไม่ว่าชายหญิงเป็นต้องพิสูจน์ใจจริงกันหน่อยประเภทนี้บางทีทำตัวน่ารักเป็นพิเศษเหมือนป้อนเหยื่อล่อทางความรักอ้างได้เต็มปากว่าลงทุนเต็มที่แล้วคู่ควรกับการจะรักความรักแล้วจึงทดสอบเสียหน่อยว่าจะได้รับการตอบแทนสมน้ำสมเนื้อสักแค่ไหนแต่บางคนไม่อย่างนั้นกล่าวคือ ไม่เคยคิดจะทำตัวให้น่ารักแต่จะไปลองใจว่าใครรักจริงบ้างพอไม่พบว่ามีใครเอาด้วยก็ด่าโลกหาว่าโลกนี้ไม่มีดีมีแต่คนเข้ามาเอาไม่มีใครเข้ามาให้คนทำตัวน่ารักไม่คิดอะไรแปลกๆไม่พยายามลองใจใครเป็นฝ่ายให้ก่อนแบบไร้เงื่อนไขเป็นฝ่ายอภัยได้ โดยไม่มีข้อต่อรองเป็นฝ่ายมีสติจนบรรดาลสติให้คนอื่นพวกนี้มักไม่คาดหวังความรักจากใครแต่จะพบความจริงว่าโลกนี้ต่อให้หยิบยื่นก่อนต่อให้ดีกับใครแค่ไหนอย่างไรก็มีแค่หนึ่งในสิบหรือหนึ่งในร้อยที่เขาจะยื่นกลับเท่ากันหรือทุ่มเทกลับมากกว่านั้นและกว่าที่จะรักจริง ซึ่งใจกันจริงๆกับรครได้ต่างคนต่างต้งตองมีน้าใจเสมอกันซึ่งไม่ใช่วัดกันเป็นจำนวนเงินเท่ากันเป๊ะๆแต่ต้องเป็นประมาณน้ำใจที่ทำอะไรให้กันได้ก็ทุ่มเทเต็มที่เท่าที่มีอยู่เหมือนๆกันอยากรู้ว่าใครรักแค่ไหนไม่ต้องหาเรื่องลองใจแค่ใช้ชีวิตไปด้วยกันเรื่อยๆชีวิตจะส่งบทพิสูจน์มาให้รู้เอง ซึ่งไม่ใช่แค่รู้เขาแต่รู้ใจของตัวเราจริงๆด้วย